อะไอยากจะถาม อ, มอืมผมนะครับในธรรมะผมก็ยังไม่มีอะไรสงสัยครับเพราะว่าเรงการปฏิบัติยังปฏิบัติยังไม่เต็มที่ตัวนี้ก็ปฏิบัติทุกทุมผมก็ฟังพระอาจารย์ใน YouTube อยู่ครับเวลาไม่ได้มาก็ฟัใน YouTube แล้วก็เอาคำท ท, ท, ท, ที่พราอาจารย์สอนมาใช้ปฏิบัติเช่นร้อยัง ไม่เกิดผลเท่าไหร่แต่ความสมบูรณงทางใจก็เริ่มมีบ้างนะครั บ, รบผลมันจะเกิดตอนเมื่อเรานำมาใช้ใช้ใช้กับจิตใจของเราเวลาจิตใจเราโกรธถ้าเรามีธรรมะเราก็หยุดมันได้เราก็หายโกรธถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ยัง ธรรมะก็ยังมีกำลังไม่พอธรรมะมีไว้สำหรับหยุดความโลภความโกรธต่างๆเพราะมันทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราไม่สบายเหมือนเชื่อโรคเชื่อโรค เ, เวลามันเราติดเชื้อร่างกายติดเชื้อโรคเราก็ต้องหายามาทำลายมันกินยาเข้าไป ถ้ายามีกาลังก็ฆ่าเชื้อโรคได้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายไปการมาฟังธรรมก็คือการมาศึกษาวิธีที่เราจะเอายามารักษาโรคใจว่าจะหาหาได้อย่างไรเอามาจากที่ไหนยารักษาโรคใจคือธรรมโอสถธรรมคือคำสอน โอสดก็ยาคำสอนของอุธตเจ้านี่เป็นเหมือนยารักษาโรควัดนี่เป็นเหมือนร้านขายยาเหมือนโรงพยาบาลเวลาเรามีความไม่สบายใจเราก็ไปวัดไปร้านขายยาเพื่อไปหายามารักษาลรกใจที่ไม่สบายที่ทำให้ใจไม่สบาย เหมกับเวลาร่างกายเราไม่สบายถ้าไม่เป็นมากเราก็ไปที่ร้านขายยาบอกยะบอกเภสัชว่าเป็นหวดัดเปนน็นปวดท้องถ่ายท้องเภสัชเขาก็จะหายามาให้เราแล้วเราก็อาไปรับประทานน่ยาแล้วถ้าไม่เอาไปรับประทานก็ไม่เกิดประโยชน์โลกใจก็เป็นอย่างนั้น เวลาเราไม่สบายใจเราก็ต้องไปหายาคือธรรมะมารักษาความไม่สบายใจถ้าปล่อยให้มันกำเริบบางทีถึงกับฆ่าตัวตายกันที่ฆ่าตัวตายนี้แสดงว่าติดเชื่ออย่างรุนแรงจนรักษาไม่ได้ถึงต้องฆ่าตัวตายเพราะไม่ไม่มียาไม่มีธรรมะโอสถ ถ้ามีธรรมะโอสถนี่จะไม่เสียใจถึงกับค่าตัวตายจะไม่ทุกข์ใจจนต้องถึงกับค่าตัวตาย mm hmm. เพราะว่าจะทํามีธรรมะจะทําให้ความไม่สบายใจนั้นมันเบาบางลงหรือหายไปได้แต่ถ้าไม่มียาก็ถึงกับค่าตัวตายกันคนที่ค่าตัวตายนี่แสดงว่า ใจทุกข์มากใจไม่สบายมากเป็นโรคถ้าเป็นก็เหมือนกับมะเร็งขั้นที่สามแต่ถ้ามียาจะสามารถรักษาให้หายได้ที่เรามาฟังธรรมะฟังเทศกันก็เพื่อที่จะมาศึกษาวิธีหายามาใช้กับการรักษาโรคใจของพวกเรา พอเรารู้วิธีแล้วว่ายาที่เราต้องมีคือสติมีปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาหาสติกันหาปัญญากัน mm hmm. ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเวลาเราเกิดความไม่สบายใจเราก็เอาสติเอาปัญญานี้มาใช้ใจที่ไม่สบายก็จะหายกลับมาสบายเป็นปกติไม่ต้องฆ่าตัวตาย ที่ฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จักวิธีทำให้ความไม่สบายใจหายไปมันกลับมีแต่ทาให้ความไม่สบายใจมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะทนอยู่กับความไม่สบายใจได้ก็เลยต้องฆ่าตัวตายหนีความไม่สบายใจไปแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ กรกลับมาเกิดใหม่ก็มาเจอเรื่องไม่สบายใจใหม่ถ้ายัางไม่มียาธรรมะเดี๋ยวก็ต้องฆ่าตัวตายใหม่อีกยันขอให้เราเห็นคุณค่าของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอามามาศึกษามามาปฏิบัติศึกษาก็คือให้รู้ว่าเราต้อง สร้างสติขึ้นมาอย่างไรสร้างปัญญาขึ้นมาอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็ต้องเอาไปสร้างกันเพราะว่าธรรมะนี้ของใครของมันไม่มีใครสร้างให้กันได้ต้องสร้างกันเองสตินี้ต้องสร้างกันขึ้นมาเองถ้ามีสตินี้เราจะสามารถควบคุมใจเราได้ เหมือนกับรถยนต์ถ้ามีเบรกเราก็สามารถหยุดรถยนต์ได้เวลารถยนต์จะวิ่งออกนอกลูก่นอกทางเราก็เหยียบเบรกพอเหยียบเบรกรถก็หยุดใจเราเวลาไม่สบายถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความไม่สบายใจได้ พยายามมาฝึกสร้างสติกันสติก็คือการนัลุกลอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดเพการปล่อยให้ใจคิดเหมือนกับเหยียบน้ำมันเหยียบคันเร่ง ย, ยิ่งคิดจิตก็ยิ่งยิ่งวุ่นยิ่งฟุง้ง มืนการถถ้ายิ่งเหยียบคำเร่งมันก็ยิ่งวิ่งเร็วยิ่งวิ่งเร็วก็ยิ่งเสี่ยงต่อภัยอุบัติเหตุต่างๆพอเจอเหตุการณ์กระทันหันก็เบรก็ไม่ทันก็ต้องชนกันเลือแหกโค้งตกเหวแต่ถ้ามีสติมีปัญญาเราก็จะควบคุมให้รถวิ่งอย่างปลอดภัย วิ่งไม่เร็ววิ่งไปสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนเพราะเราไม่ได้ไปไหนเราวนเวียนอยู่ในวงเวียนนี่แหละวงเรียนเหมือนสนามสนามแข่งรถเห็นเขาเหยียบแข่งกันมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ในสนามแข่งรถนะวิ่งวนกันไปวนกันมาอย่นั้นเราเราก็เหมือนกัน เวลาคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็ได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็อยากได้ใหม่มันก็ไปหาใหม่วิ่งได้รอบหนึ่งเดี๋ยวก็อยากจะได้อีกรอบก็วิ่งไปอีกรอบไม่ได้ไปไหนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนความสุขอยู่ที่การหยุดพัก ใจถ้าไม่ได้หยุดพักนี่มันหาความสุขไม่ได้ความสุขของใจอยู่ที่การหยุดพักของใจอยู่ที่ความสงบนิ่งของใจแต่เราไม่มีใครสอนเราว่านี่คือความสุขเรากลับถูกสอนว่าความสุขของใจก็คือต้องวิ่งมากๆต้องทำเยอะๆต้องได้เยอะๆต้องมีมากๆยิ่งมีมากยิ่งจะมีความสุข แต่มันสุก็ป่ายิ่งมีมากก็ยิ่งกังวลมากยิ่งห่วงมากยิ่งห่วงมากยิ่งทุกมากเวลาที่มันจากเ้าไปนี่คือปัญญาปัญญาต้องสอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราควรจะได้ควรจะอยากได้กันเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาไม่ จะทำให้เราทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดได้แล้วต้องต้องได้อยู่เรื่อยๆต้องมีอยู่เรื่อยเวลามันหมดก็ต้องหามาถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าหามาได้ก็ใช้ไปเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์<ม>ก็ต้องหาใหม่มเช่นเงินทองเราต้องหากันอยู่เรื่อยๆ หาไม่ได้ก็เอาไปใช้กันใช้หมดแล้วก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์เดือดร้อนกันถ้าเราไม่หาเงินทองได้ไม่ใช้เงินทองได้เราก็จะสบายกว่าถ้าอยู่เฉยๆได้ก็ไม่ต้องใช้เงินทองมากถ้าใช้เงินทองกับสิ่งที่จาเป็นนี้จะไม่เป็นปัญหา เพราะว่ามันความจำเป็นนี่มีไม่มากเช่นค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยนี่ก็พอไว้สาหรับใช้กับสิ่งที่จำเป็นพ อ, อจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าที่พักจ่ายค่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าใช้กับสิ่งที่จำเป็นนี่เราก็ไม่ต้องหามาก เราก็จะมีเวลาที่จะพักใจถ้าใจเราได้พักผ่อนเราก็จะมีความสุขความสุขที่ได้รับจากการพักผ่อนนี้ดีกว่าความสุขที่ได้รับจากการไปไปทำอะไรต่างๆเช่นไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นอะไร เป็นความสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเหมือนควันไฟไปเที่ยวกลับมาบ้านก็หายไปหมดความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวแล้วก็ทำให้ติดต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาเที่ยวก็ต้องใช้เงินใช้ทองถ้าใช้เงินใช้ทองแล้วเดี๋ยวก็เงินก็จะไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินต้องไปหางาน ไปทำงานก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการทำงานหาเงินหาทองพอได้เงินทองก็มาใช้เดียวเดียวก็หมดถ mm ้าเราหยุดความอยากเที hmm. equally, ่ยวได้เนี่ยเราจะสบายกว่าถ้าเราอยู่เฉยๆได้พักใจทำใจให้สงบได้เนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นลเราไม่ต้องเสียเงินนั่งอยู่ที่เฉยทําใจให้สงบนี่ไม่เสียเงินเลยเงินทองที่เราหามายากแสนยากเราก็จะมีเหลือใช้เพราะเราจะไม่ต้องเอาไปใช้กับการเที่ยวการกินการดื่มการเล่น แทนที่จะหาความสุขจากการกินการดื่มการเที่ยวการเล่นเรามาหาความสุขจากการอยู่เฉยๆหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากกันดีกว่าพักผ่อนจิตใจพอจิตใจได้พักอยู่ในความสงบก็เกิดความสุขขึ้นมาสุขมากกว่าความสุขที่ได้เราที่ได้จากการไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆ กาจะทำให้เราไม่มีปัญหากับเรื่องเงินทองเงินทองเราจะมีเหลือกินเหลือใช้เพราะเราจะสามารถหามาได้มากกว่าที่เราใช้เพราะสิ่งที่จาเป็นนี้มันใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันไม่มีเพิ่มขึ้นค่าอาหารวันละเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่มีเพิ่มขึ้นเคร่อเพิ่มก็น้อยเพิ่มไปตามเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อ ไม่เหมือนกับการไปเที่ยวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างอย่างเป็นหลายเท่าถ้ามีถ้ามีเงินมากก็จะเที่ยวมากจะใช้มากจะซื้อของมากยิ่งมีเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะซื้อของมากขึ้นยิ่งอยากจะเที่ยวแบบที่ใช้เงินมากขึ้นมันจะไม่มีวันที่จะทำให้ เรามีเงินเหลือใช้ถ้ามีเงินเหลือถ้ามีเงินนี้แล้วถ้ามันยังชอบเที่ยวอยู่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเอาไปเที่ยวหมดจะไม่สามารถเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอามาใช้กับสิ่งที่จาเป็นจริงๆคือเลี้ยงดูร่างกายได้ถ้าเราสามารถหยุดใจของเราได้พักใจของเราได้ให้ใจของเราอยู่เฉยๆได้เนี่ย เราจะมีความสุขเราจะไม่เดือดร้อนกับการที่จะต้องไปคอยหาเงินหาทองมาแบบหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ ท, ทันทีเพราะเวลาเราใช้เงินไปกับความอยากนี่มันจะอยากจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยมีเท่าไหร่ก็อยากจะใช้มันมีร้อยก็อยากจะใช้มันทั้งร้อยพอมีพันก็อยากจะใช้เป็นมันทั้งพัน พอมีหมื่นก็อยากจะใช้มันทั้งหมื่นทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้มันเลยแต่มันอดไม่ได้พอเห็นของที่เขาขายอยู่ชอบใจก็อยากจะได้ขึ้นมาก็ดูเงินในกระเป๋าถ้าพอก็ซื้อเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีเงินมากกว่านี้เดี๋ยวไปเห็นของที่แพงกว่านี้ก็อยากจะได้อีก ได้มาแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขความอิ่มความพอได้มาแล้วกลับทำให้เรามีความอยากมีความหิวอยากจะซื้อใหม่อยากจะได้ใหม่นี่คือโรคใจโรคใจของเราเกิดจากการที่เราไม่สามารถหยุดความโลภหยุดความอยากของเราได้ความโลภความอยากนี่ทำให้ใจเราไม่สบายกัน พ็เราต้องดิ้นนนหาสิ่งที่เราอยากได้กันได้มาแล้วก็ไม่หายความโลภ ก, ก็ไม่หายความอยากก็ไม่หายแต่กับจะมีความอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเอาธรรมะของพระุทธเจ้ามาหยุดความโลภหยุดความอยากโดยการทำใจให้สงบนั่งพุทโธพุทโธพุทโธไป ใจสงบแล้วใจจะนิ่งจะสบายมีความสุขแล้วความอยากความโลภ ก, ก็จะหายไปเงินทองก็จะอยู่เงินทองก็จะไม่หายเงินทองจะหายก็ต่อเมื่อความโลภความอยากมันโผ <icho> ล่ขึ้นมาถ้าความโลภความอยากหายไปเงินทองก็จะอยู่เงินทองกับความโลภความอยากนี่รู้สึก ว, ว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเงินทองมันจะต้องหมด ถ้ามีความโลภความอยากโผล่ขึ้นมาเนี้เดี๋ยวเงินก็ต้องปิวออกจากกระเป๋าไปล่ะเดี๋ยวเห็นของในร้านสวยๆงามๆก็อยากจะได้กันได้มามากได้มาน้อยก็ไม่พอเดี๋ยวไปเห็นของใหม่ก็อยากได้อีกนะฉะนั้นขอให้เราลองมาเอาแบบที่ผู้เจ้าสอนดีกว่าเอาเวลามา ควบคุมความโลภควบคุมความอยากกันดีกว่าด้วยการใช้สติด้วยการใช้ปัญญาสติก็คือต้องหยุดคือการที่ให้ใจนี้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าการมีสติถ้าปล่อยให้ใจคิดนี้แสดงว่าไม่มีสติวิธีที่จะทำให้ใจไม่คิดเราก็ต้องให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวเหมือนกับเดินให้เดินอยู่กับที่เมันก็จะไม่ไปไหน ให้เดินอยู่กับที่ถ้าเดินเดินตามความอยากมันก็จะพาเดินไปไปถึงไหนถึงกันไปแล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความเหนื่อยได้แต่ความอยากลองมาหยุดความคิดกันดูลองใช้สติคือพุโทโธพุทโธดู ลองระลึกถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่ภายในใจไม่ต้องออกเสียงแทนที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธถ้าเบื่อกับคําว่าพุโทโธพุธโทโธก็ให้ลองคิดอยู่กับบทสวดมนต์ไปพุทสวดมนต์อิติปิโสภักขะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธเหมือนร้องเพลงแต่อย่าล้องเพราะเพลงมันทําให้เกิดความอยากแต่ถ้าเรา สวดมนต์ลแล้วมันจะทำให้ใจไม่อยากทำให้ใจสงบทำให้ใจเบาสวดมนต์ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธจนกว่าใจจะไม่คิดก็หยุดได้ถ้าใจคิดก็พุโทโธใหม่เหมือนรถเวลามันไหลเราก็ต้องเหยียบเบรคพอมันไม่ไหลเราก็ถอนเบรออกได้ถอนเบรคออกได้ พอมันไหลเราก็เหยียบเบรคใหม่นี่คือวิธีหาความสุขแบบไม่มีพิษไม่มีภัยเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียเงินทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองการหาเงินหาทองนี้ลําบากและอาจจะเสี่ยงต่อการไปทําบาปได้ทําผิดกฎหมายได้แต่ถ้าเราหยุดใจได้เรามีความสุข จากการจากการที่ใจมีความสงบนี่เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขแบบอื่นเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวกันไม่ต้องไปดูไปฟังไม่ต้องไปไม่ต้องไปโรงภาพยนต์ไม่ต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่บันเทิงต่างๆ hmm. อยู่บ้านอย่างปลอดภัยบ้านเราเนี่แหละเป็นที่น่าอยู่ที่สุดถ้าเราสามารถทำใจให้สงบแล้วเราจะไม่อยากจะออกจากบ้าน ที่เราต้องออกจากบ้านกันครัเพราะว่าใจเราไม่สงบใจเรามีความอยากหาความสุขจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรถต่างๆเราก็เลยต้องพาร่างกายเราไปหารูปเสียงกลิ่นรถกันออกจากบ้านไปแต่ละครั้งก็ต้องเสียงเงินทองเสียค่าใช้จ่ายถ้าออกไปบ่อยเงินทองก็จะหมดเร็ว เราก็ต้องเหนื่อยกับการไปหาเงินมาเพราะเราขาดเงินไม่ได้โดยเฉพาะเงินที่จะามาใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่หงห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่ถ้าเราไม่ไปเที่ยว เ, ยเงินทองที่เราจะเอามาใช้กับปัจจัยสี่นี้มันจะเหลือเฟือ แล้วจะทำให้เราไม่ต้องดิ้นรนกับการหาเงินทองมากจนเกินไปเราก็จะทำงานน้อยลงก็ได้หาเงินน้อยลงก็ได้เราก็จะมีเวลามาหยุดใจมาทำใจเราให้สงบทำใจเราให้มีความสุขมากขึ้นพุทธโธนี่แหละถ้าเราทำได้พุทธโธพุทธโธไปทั้งวันเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในอิリアบทใดทาอะไร ขอให้มีพุโทโธกำกับใจไปเรื่อยๆแล้วความอยากจะไปหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขมันจะไม่มีแต่ถ้าเราไม่มีพุโทโธเดี๋ยวมันก็อยากกินนะเดีย๋ยวอยากดื่มนะเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวอยากจะไปนู่นเดี๋ยวก็อยากจะมานี่ออกไปที่นู่นเดี๋ยวก็อยากจะมาที่นี่ มาที่นี่แล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปที่โน่นเพราะว่าเราไม่มีสติคอยกํากับใจคอยควบคุมใจเราปล่อยให้ความอยากมันคอยผลักคอยดันเราให้ไปไปแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายทำให้เราต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาใช้มาจ่ายมารับใช้ความอยากของเรารับใช้เท่าไหร่มันก็ไม่หมดไม่เคยอิ่มไม่เคยพอ แต่ถ้าเราใช้พุทธโธหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ความอิ่มความพอมันจะเกิดขึ้นมาเองพอใจไม่มีความอยากมันก็อิ่มพอใจหยุดคิดหยุดอยากความหิวความอยากมันก็จะหายไปเราก็จะอยู่บ้านได้อย่างสบายอย่างมีความสุขเราเกิดความอยากเราก็ใช้พุทธโธพุทธโธหยุดมันนี่คือการ ใช้ยาใช้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามารักษาโลกใจคือความไม่สบายใจต่างๆร่างกายเราสบายดีแต่ใจเรากลับไม่สบายเรามีกินมีอยู่มีบ้านอยู่มีอาหารกินมีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคแต่อยู่บ้านเฉยๆ อ, อยู่ไม่ได้เกิดความไม่สบายใจทันทีเวลาต้องอยู่บ้านเฉยๆ เ, เพราะมันมีความอยาก อยากจะออกนอกบ้านอยากจะไปทำนูน่ทนทานี่อยากจะไปดูนั่นดูนี่ถ้าเรามีพุทธโธพุทธโธเราก็จะหยุดความอยากได้แล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะทำลายมันได้พุทธโธนี้หยุดมันได้เหมือนเบรกที่เหยียบที่หยุดรถแต่พอถอนเบรกออกเดี๋ยวรถมันก็วิ่งได้ไหม เวลามีพุทธโธพุทธโธความอยากมันก็หยุดแต่พอเวลาเราหยุดพุทธโธเดี๋ยวความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากให้ความอยากหายไปแบบไม่กลับมาเลยเราต้องใช้ปัญญาปัญญาก็นี่แหละที่ได้ยินได้ฟังได้ว่าการไปทําตามความอยากนี้มันจะทําให้เราต้องอยากไปเรื่อยๆ เ, เหมือนคนที่ติดยาเสพติด คนที่ติดยาเสพติดแล้วนี้จะต้องเสพไปเรื่อยๆอยากเสพไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็ทรมานทุกข์ไม่สบายใจแต่คนที่ไม่เสพยาเสพติดนี้ไม่เดือดร้อนเวลามียาหรือไม่มียาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะรู้ว่ายาเสพติดนี้มันเป็นอันตรายถ้าเสพแล้วมันจะติดสิ่งต่างๆที่เราทําด้วย ด้วยความอยากนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดทั้งนั้นถ้าลองทำแล้วมันจะติดอยากจะดื่มอะไรแล้วมันก็อยากจะดื่มไปเรื่อยๆเช่นอยากจะดื่มกาแฟนี้พอดื่มถ้วยหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะดื่มอีกถ้วยหนึ่งอยากจะดื่มไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเลิกดื่มกาแฟก็ต้องไม่ดื่มมันเวลาเกิดความอยากเวลาเกิดความอยากดื่มกาแฟก็ดื่มน้ำเปล่าแทน ถ้าร่าง ก, กายหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไปทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟาเราไม่เราไม่ดื่มกาแฟาเราฝืนความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเราก็ไม่เราก็จะได้เลิกติดกาแฟตอนที่ติดกาแฟาก็เพราะว่าทุกครั้งที่อยากดื่มกาแฟาก็ดื่มพอดื่มแล้วมันก็ติดถ้าไม่ดื่มมันก็จะไม่ติดอันนี่คือปัญญา ถ้าเราอยากจะให้ความอยากหายไปทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็อยากไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปหรือจะดูว่าความสุขที่เราได้จากการทำความอยากมันก็เป็นความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอความสุขหมดไปเราก็ต้องเติมความสุขใหม่ก็ต้องอยากใหม่ นั้นสู้อยากไปอยากดีกว่าพอเราไม่อยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ทําตามความอยากอยากจะดื่มกาแฟาก็ไม่ดื่มอยากจะดูหนังก็ไม่ดูอยากจะฟังเพลงก็ไม่ฟังอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปอยู่บ้านนั่งสมาธิพุทโธพุทโธดีกว่าทําใจให้สงบดีกว่าพอาใจสงบแล้ว ความสุขก็โผล่ขึ้นมาเพราะความอยากหายไปความอยากทุกทำลายไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากมาลบกวนใจแล้วเหมือนคนที่หายจากการติดยาเสพติดพ อ, อไม่ต้องเสพยาเสพติดแล้วสบายถ้าต้องเสพเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเสพไปจนร่างกายทนไม่ไหวร่างกายตายไป นี่คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี้มาจากความอยากของพวกเราเองและไม่รู้จักวิธีหยุดความอยากตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีหยุดความอยากด้วยการใช้สติด้วยการใช้ปัญญาตอนต้นก็ใช้สติก่อน ยพยายามควบคุมความอยากควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดอย่าปล่อยให้อยากแล้วใจก็จะเบาจะมีความสุขจะมีความสบายถ้านั่งเฉยๆได้ก็ใจก็จะนิ่งก็จะมีความสุขมากยิง่ยงนิ่งยิ่งนั่งเฉยๆได้ใจยิง่งนิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแล้วต่อไปเราจะติดความสุขแบบนี้ การติดความสุขแบบนี้ไม่เป็นโทษเพราะไม่ต้องเสียเงินไม่ทําลายสุขภาพร่างกายไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาหาความสุขแบบนี้เพียงแต่นั่งเฉยๆแล้วก็ควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ความอยากก็จะหายไปแต่หายไปชั่วคราวถ้าอยากจะหายไปถาวรเวลาเกิดความอยากต้องสอน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 สองคนอยู่ในอยู่ในตัวเราเรามีกายกับใจใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆร่างกายไม่มีความอยากความอยากอยู่ที่ใจเวลาเกิดความอยากมันทำให้ใจไม่สบายใจก็เลยต้องแก้ความไม่สบายใจด้วยการไปทำตามความอยากแต่มันแก้ได้ชั่วคราวพอได้ไปทำตามความอยากได้สิ่งที่อยากได้มา ความไม่สบายใจก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากอันใหม่ขึ้นมาก็เกิดความไม่สบายใจใหม่ขึ้นมาถ้าเราใช้เหตุผลสอนใจว่านี่แหละคือต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราเพราะสิ่งที่เราอยากจะได้มามาทำลายความไม่สบายใจนี้มันทำลายได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเวลาไม่สบายใจเพราะอยาก ดูอยากฟังพอเราได้ดูได้ฟังแล้วความไม่สบายใจก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากดูอยากฟังใหม่ขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากดูอยากฟังหายไปแบบไม่กลับมาเราก็ต้องไม่ไปทำตามความอยากอยากดูก็อย่าไปดูอยากฟังก็อย่าไปฟังไปนั่งเฉยๆไปหยุดความอยากดีกว่า ด้วยการใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราทุกครั้งที่มีความอยากแล้วเราใช้เหตุผลสอนใจว่าทำไมเราไม่ควรทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะไม่ได้ทำให้ความอยากมันหมดไปมันจะมีแต่ทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทำให้เรามีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆวิธีแก้ความอยากก็คือต้องหยุดความอยากอย่าไปทาตามความอยาก ใช้พุทธโธพุทธโธไปนั่งสมาธิไปดูลงหายใจเข้าออกไปถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้พอหยุดได้ใจก็สบายมีความสุขแล้วความอยากนั้นก็จะเบาลงไปข่าวหน้ามาอยากใหม่เราก็สู้กับมันใหม่แบบนี้สู้กับมันไปแบบนี้ทุกครั้งแล้วต่อไปความอยากมันจะหมดกาลังมันจะ หายไปจากใจเราไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปนี่แหละเป็นวิธีแก้อย่างถ้าวรต้องแท้ต้องแก้ด้วยปัญญาต้องเห็นโทษของความอยากต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นให้ความสุขเราเดียวเดียวแล้วจะกลายเป็นความทุกเวลาที่สิ่งที่เราได้มาจากเราไปเราได้ของที่เราชอบมาเช่นได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มา เรามีความสุขดีใจเดี๋ยวเผลอวางไว้ที่ไหนถูกเขาขโมยไปความสุขนั่นก็หายไปหายไปกับโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์นี่มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่มันไม่รู้ว่าจะจากเราไปเมื่อไหร่แต่ไม่ช้าก็เร็ว ม, มันกับเราต้องมีวันจากกันให้คิดอย่างนี้ของทุกอย่างที่จะมาให้ความสุขกับเรานี้ มันจะไม่ได้อยู่กับเราไปอย่างถาวรมันไม่เที่ยงมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือเวลาที่มันจากไปเช่นแฟนของเราเวลาได้เขามาใหม่ๆเขาก็ดีแต่พอเขาเปลี่ยนไปเขาแทนที่จะดีเขากลับไม่ดีขึ้นมาความสุขที่เราได้จากเขาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา มีใครทุกกับแฟนบ้างไหมมีใครไม่ทุกกับแฟนบ้างไหมเวลาใหม่ๆก็สุขกับแฟนแฟนเอา อ, อกเอาใจทุกอย่างดีกับเราทุกอย่างซื้ออะไรให้เราต้องการอะไรก็หามาให้เราแต่พออยู่กับเราแล้วเดี๋ยวเกาเปลี่ยนไปแล้วเลเคยได้เคยให้อะไรมาไม่ให้แล้วเคยซื้ออะไรมาไม่ซื้อมาให้แล้วทีนี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเลย เขาไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้เหมือนเดิมตลอดเวลาเป็นดีเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนันะสามวันดีสี่วันไข้วันไหนที่เขาดีเราก็มีความสุขวันไหนที่เขาไม่ดีเราก็ทุกข์นี่ะคือความสุขที่เราหลงกันไม่รู้ว่ามเป็นความทุกข์ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกอย่างที่เราอยากนี่มันเป็นความสุขแบบสามวันดีสี่วันไข้ สุขบ้างทุกบ้างอย่าไปเอามันดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์เอาความสุขแบบไม่ทุกข์ดีกว่าก็ความสุขที่เกิดจากการไม่อยากการที่จะทําให้ใจไม่อยากก็ต้องใช้พุทธโธหยุดมันพุทธโธพุทโธพุทโธไปเวลาอยากจะไปเที่ยวก็พุทธโธพุทธโธไป<ฆ>เวลาอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็พุทธโธพุทธโธไปเวลาอยากจะดื่มอะไรก็พุทธโธพุทธโธไป เดี๋ยวพอใจสงบแล้วก็ไม่ต้องดื่มถ้าดื่มก็ดื่มน้ําเปล่าถ้าจําเป็นต้องให้ถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าไม่ต้องดื่มเบปซี่ไม่ต้องดื่มกาแฟาไม่ต้องดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่มีขายในท้องตลาดนี่มีเป็นร้อยเลยทิ้งที่ต้องการที่ร่างกายต้องการจริงๆก็คือน้ําเปล่าๆนั่นเองน้ําที่น้ําสะอาดน้ําบริสุทธิ์เนี่ย อันนี้จําเป็นต้องดื่มอันนี้ไม่ใช่เป็นความอยากถ้าหิวน้ํานี่ต้องดื่มน้ําแต่ถ้าหิวน้าแล้วไปดื่มกาแฟเนี่ยแสดงว่าดื่มด้วยความอยากหรือบางทีไม่หิวน้ำเสียด้วยซ้ําไปแต่อยากจะดื่มกาแฟ mhm. อันนี้ก็ดื่ม e. อ, อนันนี้ก็คือความอยากพออยากแล้วมันก็จะอยากไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ความอยากหายไปก็ต้องไม่ไปทําตามความอยากไม่ดื่มเวลาอยากจะดื่มก็ไม่ดื่ม แล้วพอต่อไปไม่มีความอยากแล้วอยู่เฉยๆมีความสุขไม่ต้องใช้เงินทองมากใช้กับเฉพาะคะสิ่งที่จาเป็นคือปัจจัยสี่เท่านี้ยั้เราต้องพยายามฝึกสติกันให้ได้สำคัญมากสตินี้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไปเปิดประตูของความสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานเนี่ยการที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้ เราต้องมีสติก่อนพอมีสติหยุดความอยากได้เราถึงจะใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกความให้ไม่ให้ท ใ, ให้เห็นโทษของการทำตามความอยากพอเราเห็นโทษของการทำตามความอยากว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเราก็จะใช้สติหยุดความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีสติหยุดความอยากเช่นตอนนี้เรารู้แล้วว่าความอยากนี้เป็นภัยกับเรา แต่พอมันเกิดความอยากขึ้นมาเราหยุดมันได้ป่าพออยากจะดื่มกาแฟาหยุดได้ป่าพออยากจะไปเที่ยวหยุดมันได้ป่าหยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีเบรกไม่มีสติหยุดมันะถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยแล้พออยากไปเที่ยวเราก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวห้านาทีก็ลืมละหายอยากก็สงบสบายนะอย่านตอนนี้เราต้องมาฝึกสติกันะ วิธีที่จะฝึกสติมันก็ฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเรานี่ก็ฝึกสติได้พอเราลืมตาขึ้นมาพอจะลุกขึ้นจากเตียงก็พุโทโธพุโทโธไปให้มีพุโทโธคอยกำกับความคิด่ะให้มันคิดให้คิดอยู่กับพุโทโธเข้าน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำหวีผ้าวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธพุโทโธไป ทำกับข้าวกินข้าวทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเราจะไม่ไปทำอะไรตามความอยากเราจะทำแต่สิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปเท่านั้นแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตานั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจเราก็จะนิ่งจะสงบแล้วจะมีความสุขมากจะทำให้เราไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปดูไปฟังไป ดื่มไปอะไรต่างๆอย่างที่เคยทำมาเพราะมันสู้ความสงบความนิ่งของใจไม่ได้ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวกับความสุขที่ได้จากการทำใจให้นิ่งให้สงบเนี่ยต่างกันเหมือนฟ้ากับดินแล้วชีวิตของเรานี่จะไม่วุ่นวายจะไม่วิดเดือดร้อนจะไม่วิตกไม่กังวล ว่าเราจะอยู่คนเดียวได้เราจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้มีเราก็ไม่หวงไม่หวงมีสมบัติก็ไม่หวงไม่หวงมีสามีมีภรรยาก็ไม่หวงไม่หวงมีบุตรมีทิดาก็ไม่หวงไม่หวงดูแลกันไปตามอัตภาพแต่อะไรจะเกิดก็รู้ว่ามันห้ามไม่ได้อุบัติเหตุมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้ โรคภัยไข้เจ็บมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้ภัยต่างๆที่จะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิดถ้ามันจะต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นอะไรเพราะว่ายัางจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดี น, นี่สำหรับผู้ที่มีปัญญาจะคิดอย่างนี้จะไม่กังวลไม่หวงไม่หวงใคร ห่วงก็เท่านั้นห่วงห่วงก็ตายห่วงก็ตายห่วงก็เจ็บห่วงก็เจ็บถึงเวลาจะเจ็บทํายังไงมันก็ห้ามมันให้มันเจ็บไม่ได้ถึงเวลาจะเป็นไข้ขึ้นมาถึงเวลาจะไม่สบายขึ้นมามันก็เป็นของมันเราห้ามอะไรไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆได้ ถ้าเรารู้จักหยุดใจหยุดความอยากแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีน้าใจเราก็คอยดูแลกันคอยช่วยเหลือกันไปตามตามกลังตามความสามารถดูแลได้ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ เวลาคนจะเป็นเจะไปห้ามมันไม่ให้เป็นก็ไม่ได้เวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นพิกลพิการหรือเป็นอะไรนี่ไม่มีใครห้ามมันได้แต่ใจจะไม่กังวลใจจะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะารับกับเหตุการณ์แบบไม่มนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะว่าไปโวยวายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไปร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรอะไรมันเป็นมันก็ต้องเป็นอะไรมันจะเสียมันก็ต้องเสียมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มันจะต้องเดินไปสู่ความเสือ่อมเดินไปสู่การสิ้นสุดการดับนทุกอย่างมีเกิด เมื่อมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับนี่คือปัญญาขอให้เราเอาไปคิดบ่อยๆแล้วเราจะตัดความวิตกตัดความกังวลห่วงใ ย, ยสิ่งนั่นสิ่งนี้คนนั่นคนนี้ได้เพราะเรารู้ว่าห่วงยังไงอกังวลยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องดับนี่ที่คนก็บอกว่าอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนี่แหละคือดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นว่ามันต้องดับแล้วเราไปห่วงมันทำไมห่วงมันทำไมไปกังวลมันทาไมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไม่ดับไม่ได้มันต้องดับของมันทุกอย่างได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องดับไปอันนี้คือปัญญา เพราะว่าเมื่อเรามีความสงบมีความสุขในใจแล้วเราก็จะปล่อยวางได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขในใจเราเราก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะเราต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรานั่นเองพอเราต้องอาศัยเขามาให้ความสุขกับเราเราก็ห่วงเขาห่วงเขากลัวว่าเขาจะไม่ให้ความสุขกับเราได้ต่อไป ความหวงความห่วงความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากที่เราไม่สามารถหาความสุขในตัวเราเองได้ทำให้เราต้องไปหาความสุขจากคนนั่นคนนี้จากสิ่งนั่นสิ่งนี้แต่คนนั่นคนนี้หรือสิ่งนั่นสิ่งนี้เขาไม่แน่นอนเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาไม่เป็นเหมือนเดิมไปตลอดเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็มีพอเขาเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีความสุขที่เราได้จากเขาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถหาความสุขในตัวของเราได้เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากคนอื่นไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ต้องใช้เขามาให้ความสุขกับเราเขาจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าอยู่ก็อยู่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เขามาให้ความสุขกับเราเราสามารถหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้จากการอยู่คนเดียวได้นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปได้แค่นี้แหละของง่ายๆ แต่จะทำให้ชีวิตของเรานี้ไม่ต้องมาวุ่นวายอย่างที่เราวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เราวุ่นวายหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราหามาได้แสนเหนื่อยแล้วก็ต้องมากังวลกับสิ่งที่เราหามาได้กันว่าจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่จะหมดไปเมื่อไหร่จะจากเราไปเมื่อไหร่นี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้พวกเรารู้แหล่งของความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนอยู่ในตัวเรานี่เองความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราเลยเราไม่ต้องไปหาอะไรในโลกนี้มาต่อให้ได้เป็นพระราชามหากษัตริ์เป็นประธานาธิบดีมันก็สู้มันก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นแล้วเดียวมันก็ต้องหมดไม่มีอะไรที่จะถาวน เป็นแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดเดี๋ยวก็ต้องตายพอตายมันก็หมดหรือไม่ไม่ทันตายก็อาจจะหมดวาระสมัยนี้ถ้าเป็นการเลือกตั้งก็เป็นได้สี่ปีแปดปีพอครบวาระก็หมดไปก็กลับมาอยู่แบบไม่มีไม่ได้เป็นอะไรก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเรามีความสงบมีความสุขในใจแล้ว เราไม่ต้องไปเป็นอะไรไม่ต้องเป็นมีอะไรนั้นเราก็จะไม่ต้องมาเสียใจเวลาที่เราต้องเสียสิ่งที่เรามีไปนี่แหละคือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกว่าให้มหาความสุขในตัวเราดีกว่าความสุขในตัวเราอยู่ที่พุทโธนี่อยู่ที่สตินี่อยู่ที่ปัญญานี่อยู่ที่สองตัวนี้ ถ้าม no ีสติมีปัญญาแล้วเราจะสามารถทําใจเราให้มีความสุขได้ทําตัวเราให้มีความสุขได้ทําให้เราไม่ต้องไปหาความสุขนอกตัวเราไม่ต้องไปหาความสุขจากเงินทองไม่ต้องไปหาความสุขจากการมีตําแหน่งมียศมีเกียรติมีอะไรต่างๆไม่ต้องไปหาความสุขจากการมีแฟนมีครอบครัวมีสามีมีภรรยา ของเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดวันดีขึ้นดีมันก็เปลี่ยนไปจากการให้ความสุขก็เป็นกลายเป็นการให้ความทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเพื่อเราจะได้ไม่ไปหาความสุขนอกตัวเราให้มาหาความสุขในตัวเรา ความสงบนี้เราคุมได้พอเราทําใจให้สงบได้เราก็ทําได้ทุกครั้งไปเราสามารถทําให้มันเป็นของเราได้ควบคุมได้ทําให้มันไม่เปลี่ยนแปลงได้คือความสุขในตัวเราหาความสุขในตัวเราเนี้ยเราจะสบายเราจะปลอดภัยจะไม่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาเพราะไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความสุขนี้จะเป็นความสุขที่ถาวรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือเกิดขึ้นกับร่างกายของคนอื่นก็ไม่สามารถมาทำลายความสุขที่มีอยู่ในตัวเรานี้ได้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขในในใจเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมร่างกายแก่ร่างกายตายความสุขนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ในใจ มันเกิดจากสติเกิดจากปัญญาฉะนั้นตอนนี้เราไม่มีความสุขอันนี้เพราะเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญากันถ้าเราอยากจะมีความสุขอันนี้เราต้องเพียรพยายามสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาขั้นตน้นขั้นที่หนึ่งให้สร้างสติก่อนฝึกสติก่อนปัญญาเป็นขั้นที่สองให้มีสติสามารถหยุดใจทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขขึ้นมาได้ก่อน แล้วขั้นที่สองก็มาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากสิ่งที่เราอยากได้มันก็ทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาหมดไปทำให้เราดีใจแล้วเสียใจกันเวลาที่เราต้องพัดพาคจากของที่เรารักจากบุคคลที่เรารักนี่เป็นยังไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันอ่ ถ้าเราไม่มีของหรือไม่มีคนที่เรารักเราจะมีการพัดพากจากกันได้ไหมถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เราจะมีการพัดพากจากสามีจากภรรยาจากบุตรจากที่ดาวได้เปล่าไม่มีใช่ไหนั่นแหละเราก็จะไม่มีความทุกข์จากการพัดพากจากกันถ้าเราไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามีอะไรแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกัน ถ้าเรามีความสุขในตัวเราแล้วเราก็จะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเฉะนั้นพยายามฝึกสติสร้างสติกันขึ้นมาให้ได้พอใจมีความสุขแล้วก็สร้างปัญญามาสอนใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่ไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราเราจะอยู่กับความสงบนี้ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวก็พอแม้แต่ร่างกายเราก็จะไม่ต้องอาศัยมัน ร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายถ้าเราห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปถ้ายังห้ามได้ก็ห้ามถ้ายังกินได้ก็กินไปยังดื่มได้ก็ดื่มไปถ้ายังดูแลรักษาได้ก็ดูแลรักษาไปแต่เราไม่ต้องพึ่งมันแล้วเพราะว่ามีมันหรือไม่มีมันนี้เราก็มีความสุขเท่าเท่าเดิมมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับใจไม่เกี่ยวข้องกับร่างกาย ร่างกายไม่มีส่วนที่จะทำให้เรามีความสุขทางใจสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขทางใจคือสติกับปัญญาเท่านั้นเองสติก็คือมัอนพุทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้สแสดงว่าเรามีสติถ้าเราปล่อยให้คิดสแสดงว่าเราไม่มีสติเหมือนรถถ้าเราปล่อยให้มันวิ่งก็สแสดงว่ารถไม่มีเบรกถ้าเราหยุดรถได้ก็สแสดงว่าเรามีเบรก พอมีเบรคแล้วรถก็ปลอดภัยรถกระจะเวลาจะไปชนอะไรแล้วก็เหยียบเบรคมันก็ไม่ไปชนถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปอยากนู่นอยากนี่อยากแล้วก็ต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ไปแย่งแก่งแย่งชิ้นดีกันไปมีเรื่องมีราวกันไม่มีวันสิ้นสุดพอเราไม่มีความอยากแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับใคร อยู่คนเดียวอย่างสบายนะขอให้เรามาสร้างสองตัวนี้นะสร้างธรรมะสองข้อนี้คือสติกับปัญญาถ้าเรามีสติเราจะทำใจให้นิ่งมีความสุขมีความสงบมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรา พอเรามีความสุขแล้วถ้าเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้มันมันไม่แน่นอนมันของชั่วคราวได้มาแล้วก็สุขเดียวเดียวพอมันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรอยากจะสงบอย่างเดียวอยากจะอยู่คนเดียว ม, มีความสุขกว่าการอยู่กันหลายๆคนอยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกันแล้ววุ่นวายเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวว่าขัดใจกันถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะอยู่คนเดียวอย่างไม่เหงาที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเราไม่ใจเราไม่สงบใจเราอยากเพราะอยากแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว้าวเว่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้ความอยากหายไปความเหงาความว้าวเว่ก็จะหายไป แล้วเรากลับจะชอบอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวแล้วมันมีความสุขพอไปอยู่กับคนนั้นคนนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องก็าตามมาเดี๋ยวก็วุ่นเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามมาดัางนั้นขอให้พวกเราพยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆ อ, อ่านหนังสือธรรมะอยู่บ่อยๆแล้วเราจะหูตาสว่างแล้วเราจะได้รู้ว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตรงไหนอยู่การอยู่ที่มีสติมีปัญญาทำใจให้สงบถ้ามีสติมีปัญญาแต่ไม่ทำใจให้สงบก็ไม่ดีมีแล้วก็ต้องเอามาทำใจให้สงบถ้าสงบแล้วหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พร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 ปะรัโสภาทัส so ภิติโยวิวาจฉันตุสัพปโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายยโภพะอภิวัฒนสีดิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโสุขัง ถ้ า, าอาจารนะอยากถามว่าที่ที่จะบรรลุสัตยานิพพ์เตือสิงห้านี่ก็สามารถอ๋อเือสิ่งห้าอย่างเดียวไม่พอต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้ถ้ามีสมาธิต้ามีสมาธิหยุดความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายอแต่ก็ยังไงก็ต้องคือศีลศีลก็ถ้าเรานั่งสมาธิมีสติมันก็มีศีลขึ้นมาในตัวแล้วเราก็จะถ้ามีสติควบคุมความอยากมันก็ไม่ไปทําอะไรไ ม, ะมันก็มีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติเข้าไหม ถ้ามันจะไปทำบาปเราก็มีสติเราก็หยุดมันเรานึกว่าทำไม่ได้แต่มันถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็จะไม่ไปทำบาปที่มันไปทำบาปเพราะมันมีความอยากอยากได้เงินพอหาเงินไม่ได้ก็ไปขโมยก็ไปทำบาปแต่ถ้าไม่อยากได้เงินมันก็ไม่ต้องไปทำมันก็จะไม่ไปขโมยเงินของใครเมื่อมันมีความสุขในตัวมันก็ไม่ต้องไปหาเงินไปซื้อความสุขกัน ถ้ามีศีลก็จะกุลานั่งสมาธิหรือเจริญสติก็จะทําได้ดีดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ถ้ามีศีล ม, มันก็กายวาจาก็จะสงบจะอยู่เฉยๆได้ที่ไม่มีศีลมันเดี๋ยวก็ไปกินเหล้าเดี๋ยวก็ไปขโมยเดี๋ยวก็ไปประพฤติผิดประเวณีมันก็จะมานั่งสมาธิไม่ได้ไไดถ้าไม่ไปทําบาปมันก็จะมีเวลามานั่งสมาธิได้ครับ เนีตอนนี้เราก็มีศีลกันแนละ้วเนี่ยตรงนี้เราทําบ่าวเปล่า ใ, ใช่ไหมก็ทํานี้ไปให้มันตลอดเอาเวลามาเวลามานั่งพุโทโธพุธโทโธกันมันก็มีศีลอยู่ในตัวไปโดยอัตโนมัติถ้าเรามีพุโทโธเราก็มีศีลมีทุกอย่างตามมาเองพยายามฝึกพุโทโธมีฝึกพุโทโธฝึกปัญญาแล้วมันก็ศีลมันก็ตามมาเองศีลห้าผมก็ถืออยู่แต่ว่าบางครั้งบางครั้งก็มีความจําเป็นที่จะ ต้องโกหกในหน้าที่การงานบ้างเนี่ยแต่ก็คือแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยอออืแต่ก็นานๆทีทําไมต้องจําเป็นต้องโกหกด้วยนะนานๆนานๆใช่โดยที่โกหกเพื่อให้เขารู้สึกไม่แย่อะไรเงี้ยครับก็อย่าพูดก็อย่าพูดเขาก็ไม่แย่อยู่ดีบางทีถ้าเราพูดความจริงเขาไม่ได้ก็เราอย่าพูดแล้วก็เฉยๆไปเลย ถ้าเราไม่พูดเขาก็ยิ่งรู้สึกสงสัยก็เรื่องของเขาเขายิงสงสัยก็เรื่องของเขาเราทำไมเราทำไปโกหกไปทํำบาปเพื่อเขาทําไมของก็คือถ้าเราก็ไม่พูดจะดีกว่าอ่าไม่พูดจะดีกว่าก็เฉยไปก็าถามมาเขาทำเป็นหูหนวกไปทําเป็นไม่ได้ยินไปก็จบอยาจะคิดยังไงก็ปล่อยเขาขอให้เราไม่พูดโกหกเราไม่พูดเราก็ไม่ได้ทํำบาปนะเพราะผมก็คิดว่าถ้าถ้าถ้าเราไม่ พูดหรือไม่อะไรเราก็กลัวเขาจะรู้สึกยิ่งไม่ดีก็เลยจําเป็นต้องโกหกเพอเขาสบายใจแต่ทางทางนี้ก็ถือว่าผิดศีลผิดศีลเพราะเพราะความอยากของเราอยากให้เขาสบายใจเราก็เลยโกหกแต่ถ้าเราไม่สนใจเราอยากจะรักษาศีลเขาจะสบายใจไม่สบายใจก็เรื่องของเขานะถ้างเขาถามเราก็พูดความจริงไปก่อนจะพูดก็ถามว่าคุณรับความจริงได้หรือเปล่า ถ้ารับได้ก็จะพูดถ้ารับไม่ได้ก็ไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้โกหกนะก็อย่างนี้คือเราต้องถืเราต้องไม่ไปแคร์เขาไนงะถ้าเราแคร์เขาเมื่อไหร่ล้วก็เราก็ยอมยอมทําบาปเพื่อเขาอืแต่ถ้าเราไม่แคร์เขาเราแคร์สินมากกว่าแคร์เขาเราก็เราก็รกักษาศินไปเขาจะรู้สึกไงก็เรื่องของเขา ว่าผมไม่มีปัญญาก็เลยยืนคิดเป็นข้อนี้ไปใช่พอแล้ <c oughs> วเ ร, เราจะเป็นคนจะต้องไปรับโทษเขาไม่ได้รับโทษเขาไม่ได้เป็นคนทํำบาปเราเป็นคนทํำบาปถ้าเราโกหกแล้วเราไปติดติดตารางนี่เรายินดีไปติดให้เขาแนะ่ <c oughs> ต้องคิดอย่างนี้เลยว่าการทํำบาปนี่มันมีตารางอาจจะไม่อยู่ในโลกนี้ตายไปมันต้องไปใช้ไปเกิดในอบาย อ น, น้นก็มีอันนี้ก็เป็นตารางเย่างนกันตารางของดวงวิญญาณถ้าไม่อยากไปอบายก็อย่าไปทาบาปเพื่อคนอื่นหรืออย่าทำบาปเพื่อตัวเราเองทำบาปเพื่อตัวเราเองง่าย่างน่ายังน่ า, น า, นามีเหตุผลกว่าไปทำบาปเพื่อคนอื่นเพื่อให้คนอื่นก็สบายใจแล้วายาวไปติดคุกในในอบา ย, ยานี่มันเราก็โง่ น, นะโง่สองต่อใช่ ก็อย่างมากก็ไม่พูดกันแล้วกันเมื่อถามเมื่อก่อนนะถ้าถ้าตอบแล้วคุณยินคุณจะฟังรับได้เปล่าเราจะพูดความจริงอถ้าอยากจะฟังความจริงเราก็จะพูดถ้าไม่อยากจะฟังความจริงเราก็ไม่พูดส่วนใหญ่แล้วกลัวเราจะเสียผลประโยชน์มากกว่าไม่ใช่เขาเหรอกมองไว้เนิ่งๆเดิมมันก็กลับมาที่ตัวเราแล้ว<อ>ก็เสียเขาก็เหมือนกันเราก็เสียผลประโยชน์ละ เพราะเราไม่อยากจะเสียเขาใชมันก็ทําเพื่อเราโกหกเพื่อเราแตกิเลสมันก็มาหลอกเราว่าเราโกหกเพื่อเขามันนึกซึ้งมันมันมันมันสลับซับซ้อนนึกๆแล้วการกระทํำบาปนี่ทําเพื่อเราทั้งนั้นนหะแต่ก็อ้างว่าทําเพื่อคนอื่น กามองมองไม่มองไม่ลึกซ <c oughs> ึ้งก็เลยเห็นแค่ผิวเอิก็เลยเราก็เคีเออคเยวเราทำเพื่อคนอื่นจริงเราทำเพื่อตัวเองเพื่อเราะกหกแล้วเราจะได้สบายใจไม่ใช่ก็สบายใจหรอก <c oughs> <laughs> พอเราไม่ได้โกหกนี่รู้สึกวมันไม่สบายใจใช่ไหมพอเราได้โกหกแล้รู้สึกเราสบายใจแต่เราก็ไปอ้างว่าเพื่อให้เขาสบายใจเราเลยโกหกแต่ความจริงเราทําเพื่อเรามากกว่าไม่ได้ทำเพื่อใครหรอก แต่ตอนนี้ก็เรื่องโกหกนี่ถ้าเกิดรู้สึกว่าจะโกหกนี่ก็ก็ไม่สบายใจครับก็เลยก็ไม่พูดอก็อย่าพูดเเฉยๆไปทําเป็นหูหนวกไปอทําเลยแล้วแต่เขานะเป็นยังไงถ้าเรารักษาสิ่งเราก็พอถ้าเราไม่แคร์เขาแล้วเราก็ทําได้ถ้าเรายังแคร์เขาอยู่ก็ทําไม่ได้ถ้าเราแคร์เขาก็เท่ากับเราทําให้เราว่าเราอยากให้เขาแคร์เราเราก็เลยต้องแคร์เขา คนก็คื อ, อาบางคนก็คือเาราพูดความจริงเอ่ยเขาไม่สามารถยอมรับได้เลยนะฮะเขาจะโกรธมาก็<ค>อย่าพูดพเลยวเวลาไม่พูดก็ก็โกรธเหมือนกันอ <c oughs> ่าก็เรื่องของเขาถ้าโกหกแล้วเขาไม่โกรธเลยก็แสดงว่าเขาโง่เลยเขาชอบคําอคําคําเท็จชอบของปลอมของจริงก็ไม่ชอบ เช่นเขาไม่สวยก็บอกว่าเขาสวยนะเขาก็ยิ้มแป้นอย่างเงี้ยอ่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊ก400 4 20คนครับทางยู u ูบ90 98คนครับ YouTube 98วันนี้เต็มพิกัดเลยคนธรรมดาวันนี้บ t v ถ่ายทอดอะไรครับถ่ายทอดแล้ว มีใครอยากจะถามอะไรไหมการที่จะเป็นสารบันก็ต้องมีสีนแล้วก็ต้องมีสมาธิต้องสงบก่อนใช่ไหยเพื่อใช้ปัญญาในการเข้าถึงสักกิเลชที่เป็นพอเราจะต้องไปเจอความตายเจอความเจ็บถ้าเราไม่มีสมาธิในใจเราจะสู้ความอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้ ถ้าเรามีสมาธิพอเกิดความอยากจิตอยากไม่เจ็บอยา ก, ไ ม, ยา ก, ยากไม่ตายแล้วก็หยุดมันปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปเลยอพอเราปล่อยมันได้เราก็จะเจ็บอย่างสบายตายอย่างสบายเราก็จะไม่ทุกข์การเข้าสมาธิที่จะใช้ปัญญายได้คือต้องเข้าสมาธิแล้วให้ออกเองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่การไมออกไม่ก็ให้มันอยู่นานๆให้มันนิ่งนานๆมันจะได้มีกําลังมากๆ แล้วเวลาออกมาแล้วมาเจอกิเลสก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าทำตามกิเลสเพราะว่าทำแล้วทุกข์มากกว่าสุขแล้วก็ใช้สมาธิดึงใจกลับเข้าไปในสมาธิให้ใจนิ่งให้ใจไม่ทำตามความอยากหยุดความอยากแล้วสมาธินี้ต้องถึงระดับไหนที่จะใช้ปัญญาได้ก็ระดับที่เราหยุดความอยากได้ ถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็เหมือนรถที่เหยียบเบรกแล้วรถมันไม่หยุดเนี่ยถ้าเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดไปชนก็แสดงว่าเบรกไม่ดีใช่ไหมก็ต้องเอาเอาเบรกแบบที่เหยียบปั๊บหยุดปั๊บเนี่ยพอเกิดความโลภปั๊บก็หยุดปั๊บเกิดความโกรธปั๊บก็โกรธหยุดปั๊บเนี่ยถึงเรียกว่ามีสมาธิขั้นขันที่ดีถ้ายังหยุดความโลภหยุดความโกรธไม่ได้ก็แสดงว่ายังสมาธิยังไม่มีกําลังพอ แต่ถ้าได้ถ้านาสมาธิแล้ได้ความสงบครั้งแรกเลยโดยแค่ได้แค่ครั้งเดียวเนะี่ยแล้วเราออกจากสมาธิเนี่ยสามารถใช้ปัญญาได้ไหมก็อาจก็แล้วแต่ว่ามันมันมันจะใช้ได้นานไม่นานถ้าได้สมาธิมันก็เหมือนการเอาเอาเอาน้ําไปแช่ในตู้เย็นพอเอามาจากตู้เย็นเดี๋ยวมันก็หายเย็นถ้าอยากให้มันเย็นก็ต้องเอากลับเข้าไปบ่อยๆ เอ า, าเอามาเอามาดื่มแล้วก็ต้องเก็บเข้าไปถ้าอยากใชใ้มันเย็นต่อไปถ้าเอามาแล้วเอามาตั้งไว้ข้างนอกตู้เย็นเดี๋ยวมันก็หายเย็นถ้าเข้าสมาธิหนเดียวแล้วไม่กลับเข้าไปอีกเดี๋ยวมันสมาธิมันก็หมดอาจจะใช้หยุดความอยากได้ครั้งสองครั้งแล้วต่อไปก็หยุดมันไม่ได้เห็นพอรู้ว่าจะหยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิไปสร้างสมาธิให้มันมีกาลังมากขึ้น แล้วพอออกมาพอเกิดความอยากเราก็หยุดมันถ้าหยุดมันได้ก็แสดงว่าเรามีสมาธิถ้าสมาธิหมดเมื่อไหร่ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก็คือถ้าเราน่าสมาธิแล้วสงบครั้งแรกถ้าอ่อนสมาธิก็สามารถเดินปัญญาได้ได้ตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าเราน่าสมาธิแล้วต้องให้ชำนาญ ก, กับการเข้าสมาธิ ก็ดียิ่งได้สำนานยิ่งดีให้มันให้มันสามารถมีสมาธิตลอดเวลาได้ยิ่งดี<ำ>ถ้ามีแค่ครึ่งชั่วโมงมันก็ใช้เหมือนชาร์จแบตออกมาใช้แล้วชาร์จได้ใช้ได้แค่ครึ่งชั่วโมงถ้าชาร์จแบตนานแล้วใช้ได้ยียย่บสี่ชั่วโมงอันไหนจะดีกว่วากันใช่ไหมสมาธิก็เหมือนแบตเนี่ยการชาร์จแบตถ้าเราชาร์จไม่นานออกมาใช้ได้เดี๋ยวเดียวมันก็หมด ถ้าเราอยากจะให้มันไม่หมดเราก็ต้องชาติมันทั้งวันทั้งคืนอเอามาใช้กับปัญญาเฉพาะเวลาจําเป็นเท่านั้นเวลาเกิดความอยากเท่านั้นเวลาที่เราไม่ได้ชาติแบบเราก็ออกมาใช้ปัญญาแล้วเวลาเราเข้าสมาธิแล้วเวลาที่เราใช้ปัญญานี่ต้องให้เกลือเกิดขึ้นก่อนหรือ ว, ว่าเราสามารถใช้ความคิดของเราในการสอนเป็นก็ทําได้สองแบบถ้ายังไม่มีกเลืก็ซ้อมไห้ก่อน คิด <c oughs> ว่าเดี๋ยวเกิดเราเกิดความโลภขึ้นมาเราจะเราจะหยุดมันได้ปเปล่าลราเกิดความโกรธขึ้นมาเราโกรธคนนั้นเราจะหยุดได้เปล่าในวันเราอยากได้สิ่งนั้นเราเห็นว่าเป็นทุกข์ก็เปล่าต้องให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันจะไม่เป็นของเราไปตลอดเป็นของเราได้เพียงชั่วคราว อันนี้ก็ซ้อมไม่ก่อนเช่นร่างกายของเราเนี่ยมันเที่ยงไม่เที่ยงเรามันจะเป็นของเราไปได้ตลอดหรือเปล่าแล้วเวลาเราเราอยากให้มันเป็นของเราเมื่อเป็นของเรามันสุขหรือมันทุกข์ขึ้นมามก็ต้องเห็นว่าร่างกายนะของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราต้องปล่อยมันอย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยาก <c oughs> ให้เป็นของเราไปตลอด ต้องมีวันที่มันจะต้องกลายเป็นอย่างอื่นเป็นของคนอื่นไปเป็นเป็นสับปเปล่าไปเป็นของสับปเปล่าไปแล้วการพิจารณาร่างกายนี้ก็คือต้องพิจารณาเป็นส่วนเป็นส่วนไปการส่วนว่าไ ม, ไม่ไม่เที่ยงดูกันมันเที่ยงไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันเหมือนเดิมหรือความเปลี่ยนไปเรื่อยเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่นหแล้วมันต้องเจ็บไหมมันต้องตายไหมเนี่ยก็เนี่ ย, ก, ยก็ดู จะได้เตร ok ียมตัวเตรียมใจเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายจะได้รับกับมันได้ถ้ารับกับมันไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เห็นว่ามันมันไม่เที่ยงยังคิดว่ามันเที่ยงอยู่คิดว่ามันไม่ตายคาว่าไม่ตายก็คือเที่ยงใช่แต่มันตายก็คือไม่เที่ยงแล้วอันไหนมันเป็นความจริงมันมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงมันก็ต้องตายถ้ามันมันต้องตายแล้ว ถ้าเราไม่อยากให้มันตายเราก็ทุกข์เลยถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความไม่ให้มันตายให้ได้ความอยากให้มันไม่ตายพอเราหยุดความอยากไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันืปปล่อยให้มันตา ย, ยก็ต้องซ้อมไ้ก่อนคิดไว้ก่อนไม่งัเดี๋ยวเกิดเวลาเกิดเจอความตายขึ้นมามันไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไร ถ้าเราคิดไว้ก่อนว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่ตายไม่ยอมตายถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ยอมตายนะมันจะตายก็ตายไปแล้วใช้ปัญญานี่เราต้องอยู่ในท่านัา่งสมาธิถือว่า อ, อ๋อปัญญานี่อยู่ในทุกท่านนะอยู่ในทำอะไรก็ได้เนะี่ยตอนนี้ก็ใช้ปัญญาได้เดี๋ยวเกิดลูกทําอะไรเกิดโมโหลูกขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาหยุดความโมโหของเรา ปัญญานี่มันใช้ตลอดเวลานอกจากเวลาที่อยู่ในสมาธิเท้งนั้นที่ไม่ต้องใช้ปัญญาเพราะตอนที่อยู่ในสมาธิจิตสงบไม่มีปัญหาไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัณหาความอยาก<ม>ก็ไม่ต้องใช้ปัญญาจะ<ม>ใช้ปัญญาก็ต่อเมื่อออกมาจากสมาธิแล้วเริ่มมีความโกรธ ค, ความโลภความอยากขึ้นมามก็ต้องหยุดมันให้ได้เพาะ พอจิตเราสงบนี่กิเลสมันเกิดขึ้นเหมือนตอนที่จิตเราไม่สงบครับตอนที่ไม่มีสมาธิกับตอนที่มีสมาธินี่ก็ไม่มีเวลามีสมาธิมันไม่มีกิเ ล, นเนเเลสไ ง, งมันหยุดเช่ไหเวลาจิตสงบความโลภความอยากมันหยุดถึงไม่ต้องใช้ปัญญาแต่ว่าเราจากสมาธิมาเดี๋ยวความโลภความอยากมันก็เกิดขึ้นมาต้องใช้ปัญญาหยุดมันถ้ามันยังไม่เกิดก็ ซ้อมเลยก่อนซ้มว่าเวลาเกิดความอยากดื่มกาแฟจะทำยังไงดีจะมองอยังไงทําให้เราไม่ต้องดื่มกาแฟะก็มองว่ากาแฟนี้เป็นเหมือนยาพิษเลยเป็นเหมือนยาเสพติดดื่มแล้วก็ต้องเดื่ดอยู่เรื่อยเวลาไม่มีเดื่มมันสุขหรือทุกข์อ่ะให้คิดอย่างนี้แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาจะได้เอาความรู้นี่มาสอนใจว่ากําลังจะไปดื่มยาพิษนะ กำมันจะไปดื่มยาเสพติดนะอยากจะติดยาเสพติดหรือเปล่าพอดื่มแล้วเดี๋ยวต้องเดิมอีกเรื่อยๆไม่ใช่ดื่มดื่มทั่วเดียวแล้วมันจะพอถ้าเวลาไม่มีดื่มมันก็จะทุกข์เนี้ยสอนใจด้วยปัญญาเวลาที่ยังไม่เกิดความอยากขึ้นมาซ้อมไว้ก่อนซ้อมว่าทุกอย่างที่เราอยากมันเป็นทุกข์ร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์ พอเราไปอยากให้มันอยู่ไม่อยากให้มันตายมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วเราไม่มีความอยากให้มันอยู่เราก็ไม่ทุกข์มันจะตายอยากยังไงไม่ให้มันตายมันก็ตายอยู่ดีก็อย่าไปอยากมันปล่อยมันปล่อยมันตายไปนั่นเองอทางบ้านมีอะไร คำถามจากทาง Facebook live ครับจากคุณจักรจันทร์ครับวิญญาณขันและวิญญาณธาตุแตกต่างกันอย่างไรครับเท่าที่โยมเข้าใจวิญญาณขันคือส่วนหนึ่งของขันห้าคือสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งเมื่อซึ่งมีการเกิดดับส่วนวิญญาณธาตุคือผู้รู้คือสิ่งที่เข้าไปรู้แต่โยมไม่เห็นการเกิดดับของผู้รู้ค่ะรบกวนพระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับผู้รู้ไม่มีการเกิดดับะ วิญญาณธาตุนี่ไม่มีการเกิดนะาตรู้นี้ก็รู้ตลอดเวลา24ชั่วโมง365วันแต่วิญญาณธาตุไอวิญญาณในขันห้านี่มันเป็นวิญญาณวิญญาณที่ไปสัมผัส ร, รับรู ป, ร ป, ร ป, รปเสียงกลิ่นรสมันจะเกิดดาบตามกับตามสัมผัสถ้ามีการสัมผัสระหว่างตากับรูปมันก็จะเกิดวิญญาณขึ้นมาพอการสัมผัสนั้นหมดไปวิญญาณ น, นั้นก็หยุดทํางานไป แต่ไม่ไม่หายมันไม่หมดเดี๋ยวเกิดมีการสัมผัสขึ้นมาใหม่มันก็เกิดใช่เวลาเราเราหลับตานี่มันก็จะไม่ไม่สัมผัสรับรู้ลูปละคำถามต่อไปจากทางอินถาเลยครับอาจารย์ชาแล้อย่างนี้เวลาตายนี้ภาพเหลือก็อยู่ก forever ก็ forever เป็นดามันไม่ไม่ไม่ไม forever มันมีความอยากมันก็มาเกิดใหม่มันก็มันมีร่างกายใหม่ พระพุทธเจ้าท่านไม่มีร่างกายอันใหม่ท่านก็อยู่แบบไม่มีร่างกายเพราะเราอยู่แบบมีร่างกายก็ต่างกันแค่ตรงนั้นวิญญาณของพุทธเจ้าก็ยังอยู่วิญญาณของเราก็อยู่แต่วิญญาณของเราอยู่แบบเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เปลี่ยนร่างกายใหม่ก็ต้องมาเลี้ยงร่างกายอันใหม่มาดูแลร hm ่างกายอันใหม่มาทุกกับร่างกายอันใหม่ ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาดูแลร่างกายไม่ต้องมาเลี่ยงดูร่างกายไม่ต้องมาทุก์กับร่างกายก็มีเท่านั้นแหละว <s> ิญญาณก็ยังอยู่ธาตุรู้วิญญาณธาตุก็ยังอยู่เหมือนกันอยู่แบบมีกับแบบไม่มีอยู่แบบมีทุกข์กับแบบไม่มีทุกข์เพราะการเกิดมันเป็นทุกข์เกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกขังไป คำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ครับจากคุณโอลินการทําบุญไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือเป็นสิ่งของแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทําด้วยตัวเองเราจะได้รับผลบุญหรือเปล่าครับถ้าเป็นของของเราก็ได้นะคำถามต่อไปจากคุณบิลลี่ครับพระอาจารย์ครับทําทําอย่างไรราคะจะหมดไปก็เนี่ยต้องหมั่นดูอสุภะเวลาเห็นรูปร่างหน้าตาของคน ที่น่ารักน่าเอ็นดูก็ต้องมองให้เห็นส่วนที่ไม่น่ารักน่าเอ็นดูดู้าไปในใต้ผิวหนังดูโครงกระดูกของเขาดูปอดดูหัวใจดูตับดูไตดูลำไส้น่าเห็นส่วนอาการอวัยวะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังมันก็จะทำให้ความราคะนี่ดับไปได้ หรือดูตอนที่ร่างกายนี้มันตายไปเวลาที่มันเน่ามันขึ้นอืดขึ้นพองอเวลาที่มันแตกเป็นเสียงไปกระจัดกระจายไปกระจายไปกระดูกแขนขาไปข้างไปทางหนึ่งอ ะ, อะไร ล, ลักษณะที่ไม่น่าดูต่างๆของร่างกายมันก็จะทําให้การมราคะมันหยุดไป ใช่คับแล้ว อ, อสุภาษณนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาไหมครับก็อสุภาษนี่ไงก็ปัญญาก็เห็นความจริงเห็นความจริงที่จะดับดับกิเลสปัญญามีหน้าที่มาดับกิเลสปัญญาจึงต้องมองแต่ส่วนที่ไม่น่าดูมองเช่นมองความตายนี่มันน่าดูไมไม่มีใครอยากจะมองแต่พอให้มองความตายแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็จะไม่มีมองร่างกายไม่สวยงาม กามลาคะความทุกข์ที่เกิดจากกามอารมณ์ก็ไม่มีไม่ต้องเสกกามก็ไม่ไม่เดือดร้อนแต่คนที่มีกามอารมณ์นี่ถ้าไม่ได้เสกกามนั้นมันนอนไม่หลับใช่ไหมมันกระสับกระสายกระวนกระวายแต่พอนึกถึงร่างกายที่เราจะไปเสกว่าเป็นสร้างศพมันก็ไม่อยากเสกขึ้นมากา ม, มาลาคะก็หายไปนอนหลับสบายคำถามต่อไปจากทาง Youtube ครับจากคุณสายชนครับ มีผู้มีผู้ฝากถามว่าได้พบแม่ชีวัดป่าท่านหนึ่งเชื่อว่าตนเองเป็นพระอรหันต์แต่ผู้ไปทําบุญสังเกตเห็นว่าท่านนั่งหลับสัปปงบตลอดเมื่อนั่งฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์หรือท่านนั่งสมาธิจึงคิดว่าพระอรหันต์น่าจาปะป่าสะจารณีวรขณะนั่งสมาธิแล้วคิดเช่นนี้คิดถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาจะเป็นอะไรก็อย่าไปสนใจเลยดูตัวเราดีกว่าเราเป็นอรหันต์หรือเปล่า คนอื่นเขาเป็นไม่เป็นมันก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นหรือไม่เป็นตามเขาดูตัวเราดีกว่าว่าเรามีกิเลสหรือเปล่าเรามีความอยากหรือเปล่าเอาแค่นี้ก็พอคนอื่นก็บอกเขาเป็นก็เรื่องของเขาเขาไม่เป็นก็เรื่องของเขาคำถามต่อไปจากสามนเณรพิทิวัตครเวลาจิตผมเกิดเวลาจิตผมเกิดการขึ้นมาเนื่องจากไปนึกถึงอดีตแฟนก่อนจะมาบวชและบางครั้งก็จะไปทําผิด สิขาบทสังคาทิเศตข้อที่หนึ่งครับแต่ในใจผมช่วงที่เกิดกิเลสช่วงนั้นมันมันก็มักจะบอกว่าทําไปเลยไม่เป็นไรหรอกสามเณรไม่มีอาบัติข้อนั้นแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าอย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่มีอาบัติก็จริงแต่ไม่ควรทําใจที่บอกว่าไม่อาบัติเหมือนเป็นตัวทำให้การประพฤติหย่อนไปผมอยากให้พระอาจารย์แนะนําด้วยครับเกรงว่าในปีหน้าผมบวชพระกลัวจะห้ามมันไม่ได้ครับ ก็อย่าไปเชื่อมันเสียเพราะว่ามันเป็นคําสอนที่ผิดเนี่ยเป็นกิเลสเป็นคําสอนของกิเลสเป็นคําสอนที่จะทำให้เราไปทําผิดศีลถ้าเราอยากจะมีศีลเราก็ต้องว่าการกระทาแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรกระทาคาถามต่อไปจากคุณประสงค์ครับเวลากาหนดสติรู้สภาพกายที่สงบรู้ลมหายใจรู้สภาพของจิตที่สงบ พิจารณาธรรมที่เกิดขณะนั้นเช่นเห็นความเกิดดับอริยสัจอะไรที่เกิดขึ้นกับจิตจะเกิดปิติขนลุกไปทั่วไม่ว่าตอนที่ยืนเดินนั่งหรือนอนในวงเล็บไม่ได้หลับเป็นได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นอย่างนี้มาสองปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มฝึกสมาธิในวงเล็บก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับอาการนั้นก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้ผมทําถูกต้องหรือไม่และควรจะต้องทําอย่างไรต่อครับ เพราะกลัวว่าอาจจะทําอะไรข้ามขั้นตอนไปอยากทําแบบค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ถ้าอยากให้เป็นค่อยเป็นค่อยไปก็ทําจิตให้รวมเป็นสมาธิก่อนอยังไม่ไปต้องไปกําหนดพิจารณาจิตไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวให้จิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาก่อนแล้วขณะที่รวมอยู่ในสมาธิก็อย่าไปทําอะไรอย่าไปพิจารณาทางปัญญา ่อยให้จิตอยู่กับความว่างความสงบไปนานๆจนกว่าจิตจะออกมาจากสมาธิแล้วค่อยมาพิจารณาการเกิดดับของร่างกายการเกิดดับของลาบยศจันลสรินอของพวกนี้มันสำคัญกว่าเพราะมันเวลาเงินหมดนี่มันเป็นยังไงสุขหรือทุกข์อชอบไปดูไว้เกิดดับเกิดดับในจิตมันไม่มีปัญหาอะไรมันเกิดดับก็เรื่องของมันแต่เวลาเงินมันดับนี่เป็นยังไงทุกข์หรือเปล่า ถ้าจอยําทำงานให้ไม่ทุกข์กับมันก็อย่าไปใช้เงินอย่าไปพึ่งเงินอย่าไปมีเงินอยู่แบบไม่มีเงินอันนี้ดีกว่าถ้าจะดูการเกิดดับอย่าไปดูขนาดที่นั่งในสมาธิเลยไม่มีประโยชน์ดูเกิดดับในขณะที่ออกจากสมาธิดีกว่าเวลาเงินหมดนี่จะทำาไงเวลาถูกเขาปลดออกจากงานจะทำยังไงเวลาแฟนทิ้งเราจะเป็นยังไงดูดับแบบนี้ดีกว่า ดูแล้วดูว่าเราทำใจได้หรือเปล่า <S <S ไปดูเกิดดับเกิดดับในใจดูว่านั่นเกิดแล้วดับไอ้นี่เกิดแล้วดับมันได้อะไรมันไม่มีมันไม่ได้เป็นอะไรที่มีความมีผลกระทบกับจิตใจเราเลยดูของสิ่งที่มันดับแล้วมันสะเทือนใจเราสิเช่นคนที่เรารักเนาะมาันเวลาก็ ด, ดับนี้เป็นยังไงเราไม่สะเทือนใจได้ไหมเราเฉยเฉยได้ไหม <S <S ไอ้นี้ต่างหากถ้าอยากจะดูทางปัญญา แต่อย่าเพิ่งไปทางปัญญาเลยถ้ายังไม่มีจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิไปก็ทักใจไม่ได้อยู่ดีพอเห็นอะไรที่รักเกิดอะไรเกิดสูญเสียสิ่งที่รักไปก็สะเทือนใจแต่ถ้ามีสมาธิจิตรวมได้แล้วจะใช้ปัญญาสอนใจได้ว่าก็เขาไม่เที่ยงไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะตายไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะจากเราไปเราห้ามเขาไม่ได้ มีปัญญาแล้วมีสมาธิกํากับกันใจก็จะไม่สะเทือนใจก็จะเฉยคําถามต่อไปจากคุณมณีการครับตัวรู้กับตัวตัวรู้กับตัวคิดตัวเดียวกันไหมครับก็ละตัวกันตัวรู้เป็นใจตัวคิดเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นขันออกมาจากใจอีกทีหนึง่งคําถามต่อไปจากคุณนพล ค, ครับ ขอโอกาสถามความคิดเห็นหลวงพ่อเกี่ยวกับเมืองไร้เงินสดที่ได้ยินตามมาหากใช้เป็นบัตรเงินสดในชาพุธเราเวลาที่ใช้จ่ายในการทำบุญทาทานสำหรับชาติเราจะดำเนินอย่างไรครับในเมื่อไม่มีวัตถุให้จับต้องแล้วครับมันมีมันไม่ต้องเป็นวัตถุใจเราไปยืดว่าเป็นสมบัติของเรามันก็มันก็เป็นมันก็เป็น เป็นสมบัติของเราแล้วแล้วพอเราเสียมันไปเราก็เหมือนกับเราได้เราได้เสียสละไปแล้วเวลาเราดูตัวเลขในธนาคารมันเห็นมดยบัญทีเงินฝากเราในธนาคารเรามีเงินไหมไมีเห็นแต่ตัวเลขใช่ไหมถ้าเกิดตัวเลขอยู่ดีๆมันลดลงไปในใจเรารู้สึกไงตกลงไปที่เท้าแบบให้อยู่ดีๆเงินหายไปล้านอย่างเงี้ยตัวได้ขายไปหนึ่งตัวเนี่ย ก็มันก็เป็นแค่ตัวเลขแต่ทำไมใจเราสะเทือนขึ้นมาก็เพราะว่าเราไปถือว่ามันเป็นเงินของเราใช่ไหมเรามีอยู่สองล้านแล้วอยู่ดีๆไปเช็คบัญชีเออานท่ามันเหลือล้านเดียวสะเตือนใจไหมก็เหมือนกันก็เหมือนเวลาเรามีสองล้านแล้วเราสั่งธนาคารให้โอนเงินไปให้วัดหนึ่งล้านเนี่ยมันก็เหลือหนึ่งล้านใจเราสะเทือนไหมเวลาเราเสียไป สะเทือนแต่เราสะเทือนแบบยินดียินดีที่จะเสียแล้วเราก็รู้สึกสบายใจมีความสุขใจที่เราได้เสียเงินนี้ไปอ่ะยังมันไม่ได้มีจัดไม่ต้องมีการจับต้องใช่ไหมสมั ย, สยนีย้เงินทองไม่ต้องจับต้องมันเพียงแต่ดูตัวเลขเขาอันนี้ก็ดูตัวเลขกันหนึงเงินใช่ไหมเแบบวลาจะเอาเงินก็เขียนตัวเลขลงไปเอาแค่นี้กดมือถือกดเลขไปเลย อยาจะโอนเท่าไรก็กดไปกดปุ๊บมันก็ไปแล้วเช็คอยอดใหม่อ๋อหายไปแล้วสแสดงว่าเราได้บริจาคไปแล้วเราได้เสียสละไปแล้วเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องมีข้าของเสมอคําถามต่อไปจากคุณบิลลี่ครับโสดาบันแล้วก็อัสสิกาคามีอานาคามีแล้วก็โสดาบันอัสสิกาคามี ยังมีราคาอยู่ใช่ไหมครับโสดามันยังมีราคาเต็มร้อยสกิดาคาเมนี่ลดเหลือแล้วประมาณร้อยละห้าสิบอนาคาเมนี่หมดไม่มีราคาอยู่คำถามต่อไปจะคุณสมใจครับอยากถามพระอาจารย์ว่าตั้งแต่ปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วค่ะหยุดการดูโทรทัศน์ไม่ฟังเพลงทางโลกมีแต่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ฟังเพลงทางธรรมอย่างเดียวแบบนี้ถือว่าปกติไหมครับ ก็ถ้าไม่ฟังเพลงทางธรรมได้ก็ดีฟังแต่เทศก็พอมัมนีก็ยังเป็นเพลงอยู่คำถามต่อไปจากทางยินบ็อกครับไม่ประสงค์ออกนามอยากทราบว่าความคิดทําให้เกิดทุกข์แต่หยุดความคิดไม่ได้อยากจะทําอย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะก็ต้องฝึกสติครถ้ามีสติ ก, ก็จะหยุดความคิดได้เวลาทุกข์เราก็พุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวพุโทโธไปสักพักเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ก็จะหายไปเราก็จะความทุกข์ก็จะหายไปแต่ถอเราหยุดหยุดพุดโทโธเดี๋ยวกลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ก็จะทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้ทุกข์หายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาว่าเราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากให้สิ่งนั้นไม่จากเราไปใช่ไหมถ้าสิ่งนั้นมันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราได้ไหม ถ้ามันไม่เที่ยงเราควบคุมบังคขาให้มันอยู่กับเราไม่ได้มันไปมันก็ต้องไปแหละเราก็ต้องยอมให้มันไปอย่าไปอยากให้มันกลับความทุกข์เกิดจากความอยากให้มันกลับความทุกข์เกิดจากความอยากไม่ให้มันไปแต่เราห้ามมันไม่ให้มันไปไม่ได้สั่งให้มันกลับมาไม่ได้พอเราเห็นนี้เราก็ก็เลยหยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากต่อไปเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นอีกต่อไปทุกครั้งที่เราคิดถึงสิ่งนั้นเราก็จะเฉยเฉย แต่ถ้าเราใช้เพียงแต่สติหยุดมันพอเรากลับไปคิดถึงมันความอยากจะให้มันกลับมามันก็ยังจะมีอยู่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าใช้ปัญญาว่ามันไม่กลับมาแล้วอยากยังไงมันก็ไม่กลับพอรู้ว่ามันไม่กลับยอมรับว่ามันไม่กลับก็ไม่ทุกข์กับมันต่อไปอนี้คือปัญญาปัญญาต่างจากสติสติเพียงแต่ไม่ให้ไปคิดถึงมันพอไม่คิดถึงมันก็ลืมมันมันก็ไม่ทุกข์ตอนนี้เราไม่ทุกข์กับอะไรเลยใช่ไหมตอนนี้เราหยุดตรงนี้ ลืมกับเรื่องต่างๆที่ทําให้เราทุกที่ผ่านมาเนี่ยแต่เดี๋ยวเรากลับไปไปเข็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าเราพิจารณาเรื่องนั้น <Montreal> เรื่องนี้ว่ามันความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็อย่าไปอยากมันสิมันเมื่อไม่เป็นตามที่เราอยากก็อยากมันทำไมอยากให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปคิดแค่นี้ต่อไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันนี่คือต้องปัญญา ถึงจะหยุดความทุกข์ได้อย่างถาวรแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติหยุดชั่วเท้าไปก่อนคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณไอซ์เบอรี่ครับถ้าในกรณีที่จิตอยากจะคิดอยู่ในอารมณ์ที่ฟุง้งยิ่งห้ามไม่ให้คิดก็สามารถหยุดได้แค่เดียวก็คิดอีกแล้วสามารถปล่อยให้จิตคิดโดยที่เราตามดูความคิดพอมันหยุดคิด เราก็ภาวนาพุโทโธต่อได้ไหมคะทํทำไงก็ได้ขอให้มันหยุดคิดก็แล้วกันถ้าหยุดคิดได้ด้วยวิธีคิดคิดให้มันเหนื่อยแล้วมันหยุดคิดได้ก็ดีกลัวมันไม่เหนื่อยเลยมันคิดจนกระทั่งนั่งนอนไม่หลับเล <c oughs> ยอย่างนี้มันคือมันคิดว่าอยากนอนไะมครับมันก็เลยยิ่งอยากนอนก็ยิ่งนอนไม่หลับเลยก็ อ, อ, <c oughs> อย่าไปอยากนอนนะ ต้องลืมต้องอยู่เฉยๆอย่าไปคิดอะไรแนละ้วมันก็จะหลับคำถามต่อไปจะทางเ c e b o o k Live ค, ครับจากคุณยุ้ยครับเรามีสารพระภูมิที่บ้านค่ะแต่เราไม่อยากมีแล้วควรทำยังไงดีคะก็ย้อนออกไปสิมันไม่มีอะไรหรอกเราไปเชื่อมันเองนันเอไปเชื่อมันมีนู่นมีนี่มันไม่มีอะไรหรอกเราเชื่อเราทำความดีสักอย่างนี่ล้วก็มีเหมือนมีสารพระภูมิคุ้มครองเราแล้ว แต่มีสารพระภูมิแล้วไปทําบาปมันก็พลานพระภูมิก็คุ้มครองเราไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะคุ้มครองเราก็คือการไม่ทําบาปการทําบุญไม่ไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีสารพระภูมิหรือไม่ใครเป็นคนสร้างสารพระภูมิก็คนที่ทําบุญทําบาปนี่แหละคนที่ขายของนี่เขาก็สร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็ไปซื้อไปติดตั้งไว้ที่บ้านเราแล้วก็คิดว่ามีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอยู่ในนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะไปอยู่ทํำไมบ้านเล็กนิดเดียว มันไม่บ้านใหญ่โตมโหรานคนที่ก็มีบุญมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มีบ้านโมโหรานใหญ่โตยิ่งกว่าประสาทราชวังเราไม่ไปอยู่ใ้ในสารพระพุทธองค์นักๆ ห, หรอกเข้าใจไหมมันเป็นความเชื่อแบบไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อไปแล้วก็เลยมันก็เลยไม่กล้าทําอะไรพอมมีแล้วเดี๋ยวกลัวถ้ายกออกไปแล้วเดี๋ยวบ้านชิบหายขึ้นมา เดี๋ยวเดี๋ยวขโมยขึ้นบ้านเดี๋ยวไฟไหม้บ้านคำถามต่อไปจากคุณมาเ่นครับภาวนาพุโทโธทีเห็นตัวผู้รู้กลางอกต้องทำอย่างไรต่อไปครับก็ผอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับตัวที่อยู่กลางอกให้อยู่กับคาบริกรรมพุโทโธไปจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งสงบทุกอย่างหายไปเหลือแต่ความว่างจิตดวงกันหนึ่งสักแต่ว่ารู้ ตัวรู้โผลขึ้นมาให้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวคำถามต่อไปจากคุณวิชาครับถ้าเรามีเวลาว่างเราควรฟังซีดีพระอาจารย์ดีหรือนั่งภาวนาพุโทโธดีอันไหนได้ประโยชน์กว่ากันครก็แล้วแต่เร า, าเราอยู่ในขั้นไหนถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้เราก็ต้องฟังซีดีไปก่อนถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็ซีดีก็ไม่ต้องฟังแต่ฟังก็ต่อเมื่อเราอยากจะได้ปัญญาอยากจะรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปะ แต่ถ้าเรายังไม่ต้องการปัญญายังไม่ต้องการรู้อะไรเรานั่งสมาธิได้ก็พยายามฝึกนั่งสมาธิให้ชำนาญให้เก่งก่อนก็ได้เวลามีสมาธิแล้วท่านต่อไปเราต้องฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าการที่เราจะมีปัญญามีได้อย่างไรและการมีปัญญามีไว้เพื่ออะไรเราต้องรู้เราต้องฟังคนอื่นคนที่เขาใช้ปัญญาคนคนที่เขาสร้างปัญญาเป็นแล้วรู้จักใช้เอาปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเขา คำถามต่อไปจากคุณศรีนีครับถ้าออกจากสมาธิแล้วจิตยังสงบอยู่ก็ปล่อยให้สงบไปเรื่อยๆก่อนพ อ, พอกระทบอารมณ์รับชังกลัวหลงก็ค่อยใช้ปัญญาพิจารณาละไปเรื่อยๆถ้ายังละไม่ได้ก็ตั้งสติดูลมหรือพุโทโธไปใหม่ให้ใจสงบก่อนอยังไม่ต้องใช้ปัญญาถูกต้องไหมคะเบอก็ต้องใช้สติไปก่อน ทัศนทัศน์้ายปัญญาเนี่เพื่อให้สอนใจให้รู้ว่าทำไมเราไม่ควรโลภไม่ควรโกรธเพราะว่าความโลภความโกรธเป็นเหมือนเชื้อโรคมันจะทำให้เราทุกทุกครั้งที่เราโลภเหมือนกับเราเอาเข็มมาทิ่มแทงร่างกายเราอย่างเงี้ยให้คิดอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะเจ็บเราก็อย่าเอาเข็มมาทิ่มแทงร่างกายเราถ้าเราไม่อยากให้ใจเราทุกเราก็อย่าไปโลภอย่าไปโกรธนี่คือปัญญา ถ้ามันยังไม่ยอมหยุดโลกก็หยุดกดก็ต้องใช้สติช่วยพุทโทพุทโทไปคำถามต่อไปจากคุณไก่ครับพระอาจารย์ครับทำยังไงจะนั่งสมาธิทาอย่างไรจะนั่งสมาธิได้นานขึ้นปัจจุบันนั่งได้ค ร, รั้งละยี่สิบถึงสามสิบนาทีจะเกิดเวทนาจนนั่งต่อไม่ได้ก็พยายามนั่งให้ผ่านเวทนาไปให้ได้เวลาเจอเวทนาอย่าลุกให้ใช้คำบรลกรรม อยู่กับคําบริกรรมไปแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านทุกขเวทนาได้แล้วจิตจะสงบแล้วจะนั่งต่อไปได้อีกนานถ้าไม่ทําอย่างนี้ทุกครั้งมาเจอทุกเวทนาก็จะถอยจะลุกมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะผ่านตรงนี้เวลาเจอเวทนาแล้วต้องใช้พุทโธใช้คําบริกรรมให้ถี่ไปอย่าลุกยอมตายยอมเจ็บจะอยู่กับพุทโธไปแล้พุทโธพุทโธไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวความ ความทุกข์ก็จะดับไปความทรมานก็จะดับไปแล้วจิตก็จะนิ่งแล้วก็จะอยู่นั่งต่อไปได้โดยไม่รู้สึกเจ็บถึงแม้ว่าความเจ็บจะไม่หายไปแต่ความเจ็บจะไม่มาลบควณใจต่อไปคํถาถามต่อไปจากคุณมนครับขออนุญาตถามเรื่องคู่ครองครับถ้าแม่แนะนําว่าไม่ควรรักมีความรักรักแต่ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อฟังแม่จะมีผลบาป ก, กรรม นักมากใหม่ครับก็มันจะทำให้เราทุกขนะ์ความล็อกคือความทุกข์ไม่ใช่นะออกไปมีแฟนนะเดี๋ยวก็ทะเล็อกกับแฟนเดี๋ยวก็มีการพัดภากจากกันมันก็ต้องมีความทุกข์ตามมาหรือถ้าแม่เห็นว่าแฟนคนนี้เป็นคนไม่ดีเป็นคนที่จะพาให้เราต้องไปทุกข์ยากลำบากเขาก็อาจจะเตือนเรานะเพราะเ้าอาจจะเห็นเห็นอนาคตของคนนี้ว่า คงจะไปไม่รอดไปอยู่กับเขาแล้วแทนที่จะสุขจะสบายกับจะไปทุกข์ยากลำบากถ้าไม่เชื่อก็ต้องไปทดสอบดูว่าคำพูดของแม่จริงหรือไม่จริงคำถามต่อไปจากคุณนพลครับเรื่องจากคำตอบพระอาจารย์จากคำถามเรื่องเมืองไร้เงินสดนะครับออหากเป็นเช่นนั้นพระเนมที่จะใช้โทรศัพท์มักจะถูกเพ่งเลงเรื่องการใช้เงินใช้ทองใช่ไหมครับ และพระใหม่ๆจะอยู่ได้หรือครับเมื่อมือถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตในสังคมออความจริงสังคมของพระไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือหรอกเมื่อก่อนมีมือถือที่ไหนพระเขาก็อยู่กันได้ทีนี้ถูกปล่อยปละละเลยจนกระทางกายเป็นของจำเป็นขึ้นมาเท่านั้นเองความจริงแล้วคนที่มาบวชก็ไม่มีมือถือติดมากับอัฐิบริการไม่ใช่นะเวลาบวชนี่เขามีมีอัฐิบริการมี มีบริขารอยู่แปดชิ้นนะั้นน่ะไม่มีเก้าชิ้นเนดะีย๋ยวนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งมันไม่ต้องมีหรอกคนที่มาบวชจริงๆเขาไม่ต้องใช้มือถือหรอกคนที่เขาไม่ได้บวชจริงๆนะ่ะเขายังห่วงลูกห่วงเมียห่วงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองห่วงพว่เพื่อนฝูงก็อยู่เขามาบวชแล้วเขาก็ยังใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกันไปติดต่อกันมาเหมือนกับไม่ได้บวช การมาบวชเพื่อมาตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เอามาเอาถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของจำเป็นตัดไม่ได้มันไม่ไม่ใช่เป็นจำเป็นมันไม่ใช่ปัจจัยสีย่ใช่ไหมมือถือนี่มันปัจจัยสี่หรือเปล่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนไม่มีมือถือทำไมเราไม่เห็นเดือดร้อนกันนะใช่ไหมอมันไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องมีมือถือ คำถามจะทาง inbox i n อ o x ครับไม่ประสงค์ออกนามครับระยะนี้มีหลายคนพยายามบอกว่าจริงๆแล้วสังเวทสังเวทนิยสถานอยู่ที่ไทยไม่ใช่อินเดียและพยายามชับชวนให้เราเชื่ อ, อขอเมตตารับความเห็นพระอาจารย์ก็ศึกษา ป, ประวัติศาสตร์อยู่ิประวัติศาสตร์ก็มีการยืนยันอยู่แล้วว่าพพุทธเจ้าเกิดในชมพูทวีปเกิดในประเทศอินเดียเนปาลมีสถานที่ที่สามารถไปดูได้ คนเราอจะไปฟังแบบกระต่ายตื่นตูนกระต่ายนอนใต้ต้นตาลพอต้นตาลลูกตาลหล่นลงมาก็ตกใจที่ว่าแผ่นดินถลอกก็เลยวิ่งหนีจัดอื่นเห็นกระต่ายวิ่งหนีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็บอกแผ่นดินถลม่มแผ่นดินถลม่มจัดอื่นไม่รู้เห็นมันวิ่งหนีกูก็วิ่งตามก่อนละอันนี้เหมือนกันตอนนี้เขาจะมาบอกว่ า, าสังเวชนิสถานอยู่ในเมืองไทยเราวสิ เดี๋ยวก็เชื่อกันไปเลยอย่าไปเชื่ออะไรจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่อย่าไปปฏิเสธอย่าไปเชื่ออย่าไปปฏิเสธพระพุทธเจ้าบอกได้ยินได้ฟังอะไรมาฟังหูว้หูแล้วเอาไปพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ที่เราสอนนี่จริงไม่จริงทุกเกิดจากความอยากจริงไม่จริง ความทุกข์จะหายไปเมื่อเราหยุดความอยากจริงไม่จริงเอาไปพิสูจน์ดูพระพันธเจ้าก็ไม่ได้บอกให้เชื่ออย่างเดียวเพราะเชื่ออย่างเดียวก็ยังไม่ยังไม่ถึงใจสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นใช่ไหมพอเห็นตาเห็นด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันจะหายสงสย100ัยร้อยเปอร์เซ็นคำถามต่อไปจะทางอินบ็อกซ์ครับจากคุณเจนครับเคยไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งและได้และได้ไปรับทาน ในมงเล็บขันครูมาเจ้าคะ่ะมีใครหลายคนทักว่าไม่ควรไปรับเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรและห้ามไปทิ้งให้ไว้ที่บ้านอย่างนั้นปัจจุบันพานยังอยู่ที่บ้านและดิฉันก็ไม่ได้ทำอะไรดิฉันไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ่ะก็ถามว่ารับมาทำอะไรเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะต้องรับมารับมาแล้วเราได้อะไรหรือเสียอะไรถ้าไม่ได้อะไรไม่เสียอะไรจะเก็บไว้ก็ได้จะไม่เก็บไว้ก็ได้ ถ้าลัมาแลาวรวยขึ้นทุกปีทุกปีผิดสังเกตรวยแบบผิดสังเกตนี่มันก็น่าจะเก็บเอาไว้คําถามต่อไปจากคุณพ่ที่วัดครับพระอาจารย์ครับเราสามารถฟังเพลงที่เกี่ยวกับความแก่เจ็บตายอสุภะกรรมฐานมานั่งฟังเพื่อพิจารณาได้ไหมครับไม่คว ร, รไม่ควรหรอกเพราะเพลงมันก็เป็นเพลง่ะละทำไมต้องเป็นเพลงด้วยก็ฟังเกิดแก่เจ็บตายโดยไม่เป็นเพลงไม่ได้เลยะ สับเบสัตตา อ, อนิจจะางเงี้ยสับเบอะไรสังขารอนิจจานี่ก็สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องตายแค่นี้ก็พอแล้วทำไมต้องเป็นเพลงด้วยเพลงก็แสดงว่ามันยังเป็นกิเลสอยู่ยังติดเพลงอยู่โดยเอาเพลงมาผสมกับธรรมะเดี๋ยวทําไปทํามาเดี๋ยวฟังเพลงเดี๋ยวอยากจะเปลี่ยนเพลงก็ไปหาเพลงเออเพลงอื่นมาฟังแทนนิ อีกสองคำถาโอเค<า>ดีพอดีครับจากคุณนงรักครับธรรมธาตุคืออย่างไรเจ้าคะก็ใจที่เป็นธรรมรุ่นๆนี่ ว, นว่าธรรมธาตุบัติใจนี้เป็นเป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุพอเราเอาวิญญาณธาตุเอาธรรมะเข้าไปสู่วิญญาณอยู่ในวิญญาณธาตุแต่ก็เราก็เรียกว่าเป็นธรรมธาตุไปนั่นเองใจที่บริสุทธิ์ของพระอาหารหันต์นี่เขาเรียกธรรมธาตุมีแต่ธรรมรุน่นๆไม่มีกิเลส ทำถามสุดท้ายจากคุณอุทยครับขอโอกาสกาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนที่เราตื่นระหว่างเดินจงกรมกับนั่งสมาธิอันไหนจะดีกว่ากันเจ้าคะก็ได้ทั้งสองอย่างครับ แ, แต่ว่าเราต้องการจะทําแบบไห น, นบางคนเดินแล้วได้ได้ผลดีกว่านั่งก็เดินไปก่อนบางคนนั่งได้ผลดีกว่าเดินก็นั่งไปก่อนแต่ก็ต้องสลับกันเพราะว่าเราจะอยู่ในระยบทเดียวนานๆไม่ได้ร่างกายมันจะ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกทพิการได้เราก็ต้องมีเปลี่ยนเอรยาบทแต่ถ้าเราได้ได้ประโยชน์มากจากการนั่งหรือการเดินเราก็นั่งมากเราก็เอ า, เอาเอาเอาท่าที่มันเป็นประโยชน์กับเราให้มากกว่าท่าที่ไม่เป็นประโยชน์แต่เราก็ยังต้องมีการสลับเปลี่ยนท่ากันไปเอาล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา